เจ้าชายมิลานก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอนาณาจักรที่อยู่แสนไกลยังมีพระราชาอยู่พระองค์หนึ่งเขามีคราวที่ยาวมากจนเกือบจะถึงเท้าของเขาเขาเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งคาโจตาอาณาจักรของเขาทอดกว้างออกไปเป็นแม่น้ํากว่าห้าสาย และพืนป่าอีกสามแห่งราชาต้องการที่จะเยี่ยมชมดินแดนของเขาทุกตารางนิ้วทั้งแม่น้ำและดินแดนทั้งหมดดังนั้นเขาจึงออกเดินทางกว่าหนึ่งปีเพื่อไปอยังทุกซอกทุกมุมขผงอาณาจักรเมื่อสมปรารถนาแล้วเขาจึงออกเดินทางกลับบ้านในวันที่ร้อนจัดเช่นนี้พระอาทิตย์โหดร้ายจริงๆวันนี้ถ้าเราเดินทางตอนบ่ายเช่นนี้เราคงไปได้ไม่ไกลพวกเราควรตั้งแคมป์พักสักหน่อย รอให้เย็นกว่านี้ถึงจะออกเดินทางกันต่อนะทันใดนั้นราชาได้กระหายน้ําอย่างมากเขากระหายอย่างมากจนท่าไม่ได้ดื่มน้ําเขาอาจจะตายได้เลยเขาจึงวบม้าออกไปเพื่อหาแม่น้ําหรือทะเลสาบหรือที่ไหนก็ได้ที่มีน้ําเขาออกค้นหาเป็นเวลานานจนกระทั่งมาถึ ง, ะพพ ง, งทะเลสาบแห่งหนึ่งน้ําทะเลสาบเป็นสีฟ้าและส่งประกายราวคริสตัล ความกระหายทำให้ราชาดื่มน้ำเหมือนกับแมวหลังจากเขาอิ่มแล้วราชากำลังจะลุกขึ้นแต่มีบางอย่างติดที่คราวของเขาเขาเห็นใบหน้าสีเขียวในแม่น้ากาลังมองมาที่เขานี่ปล่อยข้านะไปอย่างนั้นเจ้าจะได้เห็นดีไม่มีใครทำอะไรข้าได้ในแม่น้ำนี้โลกตายน้ำเป็นของข้าแต่ข้าจะปล่อยเจ้าไป ยพงทำตามเงื่อนไขเดียวอะไรอย่างังนเจ้าจะต้องมอกอมีค่าที่สุดในพระราชวังของเจ้าให้ข้าแต่ตอนนี้เจ้ายังไม่รู้รกคืออะไรก็ได้ข้าสัญญาเช่นนั้นแล้วปีศาจจึงปล่อยคราวของราชาและปล่อยเขาไปอิสระในที่สุดราชาก็มาถึงพระราชวางังและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีราชินีของเขารออยู่ที่หน้าพระราชวางัง ที่รักดูสิเทวดาได้มอบพรนี่แก่พวกเราในตอนที่ท่านไม่อยู่นั่นคือลูกชายของเราเจ้าชายแห่งอาณาจักรแห่งนี้เจ้าจะต้องบอบของมีค่าที่สุดในพระราชวังเจ้าไฮคาแต่ตอนนี้เจ้ายังไม่รู้รางว่าคืออะไรองั้นนี่ก็คือสิ่งที่เจ้ามิซานนันหมายถึงขต้าตกาลูกชายค่ะที่รักเป็นอะไรไปเนี่ยท่านไม่มีความสุขที่ได้พบลูกชายเหรอโอ้ที่รัก ดิจ่ยสิดิจยจนพูดไม่ออกลูกชายของเราเจ้าชายของอาณาจักรแห่งนี้ราชา น, นอนไม่หลับตลอดทั้งคืนเขากลัวว่าปีศาจจะมาเอาลูกชายของเขาไปเขาสั่งให้มีการคุ้มครองลูกชายของเขาเป็นอย่างดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปและเจ้าชายได้เติบโตเป็นชายหนุ่มที่กล้าหาญชาญฉลาด เขาสนใจในศิลปะด้านต่างๆนอกจากอาวุธราชาได้ลืมเรื่องเกี่ยวกับปีศาจไปจนหมดสิน้นวันหนึ่งในขณะที่เจ้าชายออกไปตั้งแคมป์ในป่าเขาแยกตัวออกจากสหายของเขาและออกสำรวจป่าเพียงลำพังเท่านั้นอาเจ้าชายมิลานบุตรชายราชาไฮคาโจตาเราเคยรู้จักกันอย่างนั้นหรอเจ้าไม่รู้เราแต่พอจะรู้ไง ไปบอกกับเขาาจะพบกับขา้าและข้ายังรอคอยคาสัญญาที่เขาให้ไว้เราจะได้พบกันอีกเจ้าชายจนกว่าจะถึงตอนนั้นลาอนเจ้าชายเล่าให้ราชาฟัง <c oughs> เกี่ยวกับสิ่งแปลกที่พบราชาไม่มีทางเลือกนอกจากบอกทุกอย่าง <c oughs> เกี่ยวกับคำสัญญาที่เขาเคยให้ไว้กับปีศาจโดยที่ไม่รู้เลยว่าปีศาจต้องการลูกชายของเขาหลังจากที่ได้ยินเช่นนั้นท่านพ่อสัญญาต้องเป็นสัญญา และต้องทำตามข้าจะไปหาปีศาจตัวเขียวด้วยตัวข้าเองแต่ลูกรักสัญญานี้ไม่ยุติธรรมเลยนะแค่น้ำไม่กี่อึกต้องจ่ายถึงขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่สำคัญว่าจะเป็นอะไรท่านแม่เมื่อคำสัญญาไปแล้วก็ต้องทำตามและไม่ว่าเขาจะดูเย่ไร้ายแค่ไหนข้าจะหาทางกลับมาหาท่านให้ได้แต่ตอนนี้ข้าต้องไปก่อนราชาและราชินีรู้ว่าเจ้าชายพูดถูก และพวกเขาจึงต้องจำใจส่งเขาเข้าไปในป่าเพื่อไปยังทะเลสาบที่ปีศาจ ต, ตัวเขียวอาศัยอยู่เมื่อเจ้าชายมาถึงทะเลสาบเขาพบเป็ดสตัวกาลังว่ายน้าอยู่ในนั้นและมีเสื้อผ้าเล็กๆวางอยู่บนฝั่ง10บตัวเจ้าชายซ่อนอยู่หลังต้นไม้เป็ดแต่ละตัวขึ้นมาสวมใส่เสื้อผ้าที่ชายฝั่งและพวกเขาก็เปลี่ยนเป็นหญิงสาวที่งดงามทีละคนทีละคนแล้วเดินจากไป นั่นใครแอบอยู่หลังต้นไม้น่ะข้ารู้นะข้าขอโทษด้วยท่านหญิงตอนที่ข้าเห็นพวกเจ้าทั้งหมดอยู่ในแม่น้ำข้าไม่รู้จะทำยังไงดีอะไรพาเจ้ามาที่นี่ล่ะเจ้าชายมิลานถ้าเจ้ารู้จักชื่อข้าเช่นนั้นเจ้าคงรู้สัญญาที่พ่อข้าเคยให้ไว้กับผู้กครองใต้ผืนน้ำแล้วผู้ปกครองนั่นน่ะคือพ่อของข้าเองข้าคือเจ้าหญิงเฮซินเทียบุตรสาวคนเล็กสุดของเขา ข้าว่ามันมากไปนะแลกกับน้ำเพียงไม่กี่อึกนั่นน่ะแต่ว่ามากับข้าเถอะแล้วข้าน่ะจะพาเจ้าไปพบพ่อของข้าดังนั้นเจ้าหญิงเฮสินเทียจึงแตะไปที่พื้นสามครั้งและเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็พบว่าพวกเขาอยู่ในพระราชวังที่สง่างามเบื้องหน้าปีศาศสีเขียวไอ้ที่เจ้ามาที่นี่เจ้าชายมิหลานชายและฟาร์บาดข้ามาที่นี่เพื่อทําตามสัญญา ที่พ่อข้าเคยให้ไว้กับท่านไหนที่สุดท่านนั้นคืนนี้เจ้าก็ไปพักก่อนนะแต่พรุ่งนี้เช้าเจ้าจะต้องสร้างพระราชวังที่ทําจากทองมีห้องร้อยห้องสวนที่มีดอกไม้พันดอกหากเจ้าทำไม่ได้หัวเจ้าจะลุดจากบ้านแน่ทำไมต้องรอถึงพรุ่ง น, นี้เช้าฝ่าบาทงานนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับข้าเลยข้าไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าจะสร้างปราสาทได้อย่างไร มีเวลาทั้งวันปรุงอีท้าหาทางทาบันให้ได้เจ้าชายนั่งคิดที่ห้องของเขาว่าจะทำยังไงดีจะทำอย่างนั้นได้คงต้องใช้เวทมนต์เหรอใช่แล้วเจ้าจะต้องมีเวทมนต์ถึงจะสร้างปราสาทนั้นได้ นอนพักเถอะเจ้าชายข้าน่ะจะใช้เวทมนต์ในการสร้างปราสาทให้กับเจ้าเองไม่นะเจ้าหญิงนั่นจะเป็นการโกงการท้าทายครั้งนี้เตรียมไว้สําหรับข้าและข้าต้องทํามันให้สําเร็จด้วยตัวของข้าเองแต่พ่อของข้าขอให้พ่อของเจ้ามอบเจ้าให้กับเขาแลกกับน้ําเพียงไม่กี่อึกนั่นไม่ยุติธรรมเลยสักนิดแต่ผ่านมาตั้งหลายปีพ่อเจ้าก็ไม่เคยทําอันตรายใดกับข้าเลยนะ ไม่ว่าพ่อเจ้าไม่ยุติธรรมเพียงใดข้าก็จะไม่โกงถ้าเจ้าอยากช่วยข้าแล้วก็ช่วยอะไรข้าอย่างได้ไหมได้ทุกอย่างที่เจ้าขอดังนั้นเจ้าชายจึงขอให้เจ้าหญิงนำบางอย่างมาให้เขาและเมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นมาถึงเขาไปพบปีศาจอย่างมั่นใจโอ้พระราชวังพร้อมแล้วอย่างนั้นเหรอโอใช่แล้วฟาบาทนี่ไงอะไรกันนี่ท่านขอยาสร้างพระราชวังจากทองคํา ที่มีร้อยห้องสวนดอกไม้พันดอกท่านจะลองนับห้องดูก็ได้นะและสวนดอกไม้ก็อยู่ตรงดีฝาบาทถ้าไม่ได้บอกข้าไว้สร้างมันขึ้นบนพื้นดินข้าจึงสร้างมันบนภาาใบไงนี่ไงละ่ะเ <c oughs> <c oughs> จ้าดีช่างฉลาดจริงนะเจ้าชายมิลานที่เจ้าพูดมา ก, ก็ถูกถ้างั้นทําคำขอของข้าอีกอย่างแล้วข้าจะส่งเจ้ากลับไปหาพ่อของเจ้าข้าจะทามันอย่างสุดกาลังฝาบาท นี่คือเศษเพชรมันจะอยู่ในมือของข้าหากเจ้าสามารถแย่งมันไปจากข้าได้จนกว่าจะถึงเช้าเจ้าจะถูกปล่อยเป็นอิสระหากทำไม่ได้หัวเจ้าจะรู้จักมาคืนนั้นเจ้าชายมิลานคิดอีกครั้งว่าจะเอาเพชรมาจากมือของปีศาจได้ยังไงและมีเสียงเคาะจากหน้าต่างดังขึ้นอีกครั้งคืนนี้เจ้าจะต้องใช้เวทมนต์แล้วละ่ะ ถึงจะทำภารกิจได้สำเร็จนะให้ข้าช่วยเจ้าเถอะแล้วข้าน่ะจะไปเอาเพชรมาให้เจ้าเดี๋ยวนี้เลยไม่นะเจ้าหญิงนั่นจะเป็นการโกงครั้งใหญ่ขอบคุณที่อยจะช่วยข้าแต่สิ่งที่พ่อข้าทำน่ะมันไม่ได้ยุติธรรมเลยนะช่างมาเถอดนะแต่ข้าจะไม่โกงเด็ดขาดถ้าเจ้าอยากช่วยข้าจริงๆเอาบางอย่างให้ข้าจะได้ไหมได้ทุกอย่างที่เจ้าขอ เช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าชายไปที่พระราชสานักของปีศาจด้วยอาการสัน่นและกลัวตายดูสิเจ้าชายมิหลานเพชรยังอยู่กับข้าเจ้าทำภารกิจล้มเหลวแล้วข้าเห็นด้วยฝาบาทข้ายอมรับว่าล้มเหลวดีงั้นหัวเจ้าจะต้องหลุดจากบาพร้อมแล้วใช่ไหมฝาบาทแต่ว่าก่อนหัวข้าจะหลุดจากบาเนี่ยข้าขออะไรอยากได้ไหม ถ้าเห็นด้วยใช่ไหมว่ามันเป็นการเล่นอย่างยุติธรรมและซื่อตรงน่ะก็ได้ข้าใจกว่าปรารถนาของเจ้าเจ้าขออะไรก็ได้แต่ว่าไม่ใช่เพชรในมือของข้านะเฮ้เข้าหวังว่าหัวข้าจะหลุดออกจากบาจากตรงนี้และไม่ใช่ตรงนี้เนื่องจากโมเดลนี้เป็นตัวแทนของข้าและหัวมันก็เปรียบเสมือนหัวข้าเช่นกันท่านเองก็พูดว่าหัวของข้าต้องหลุดจากบา แต่ท่านไม่เคยพูดเลยว่าข้าจะต้องตายนี่ยฉ <c oughs> ลาดมากเลยเจ้าชายมิลานดีเจ้าได้ทำตามสัญญาแล้วและยังทําให้ข้าพอใจเจ้ากลับบ้านได้บอกพ่อเจ้าว่าเขาจังมีลูกชายที่ยอดเยียบทั้งฉลาดรักแหลมและไม่ยอมเชื่อสิ่งล่อลวงต่างๆ <c oughs> สิ่ง ล, อล่อลวงอะไรละ่ะ พ่อขอให้ข้าช่วยให้เจ้าโกงเพื่อจะได้เห็นเจ้ายอมแพ้ยังไงล่ะแต่เจ้าก็ไม่โก่เจ้ารักษาความสุขุมและไหวพริบนันทำให้เจ้าชนะอย่างยุติธรรมและเที่ยงตรงเจ้าสมควรที่จะมีชีวิตอยู่และปกครองอาณาจาักรของเจ้าขอพระทัยฝาบาทตอนนี้พวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหม ใช่เพื่อนบอกพ่อเจ้า ว, ว่าเขาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้าข้าจะเป็นเพื่อนกับเขาตลอดไปและหากเจ้าทังขู่เห็นด้วยข้ายากให้เจ้าแต่งงานกับลูกสาวของข้าข้าเชื่อว่าเจ้าจะเป็นสามีที่ดีให้นาง <c oughs> เออเขาโทษทีข้าพูดอะไรที่พวกเจ้าไม่ชอบหรือเปล่าเนดะ้อเอเปล่าเปล่ า, เ, ลาเราจะแต่งงานกันนะ ด้วยประกาศนี้เจ้าชายจึงกลับไปยังอาณาจักรของเขาศัตรูทั้งสองกลายมาเป็นเพื่อนกันและเจ้าชายกับเฮซินเทียก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข